บุ๊ก2 43เตตลที่สวนสัตว์ชีรีอาข้านายชีिีอาข้านสวนสัตว์อยู่ที่นั่นชีอาข้าโอีชีขาโอน จิราฟอยู่ตรงนั้นอเคไหมจิราฟอ่ะเชอเคไหมจิราฟอ่เชมีอยู่ที่ไหนบาลุกกทยบาลุกกทยช้างอยู่ที่ไหนฮัตกทยฮตกทยงูอยู่ที่ไหน ช็กไทยช็กไทยสิงโตอยู่ที่ไหนชิงหกุทยชิงหกไทยดิฉันมีกล้องถ่ายรูปอชอคชดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย อามา ক ์คัชเช่เอ็กท้าวิดีโอแคเมร่าโอ้ัชเช่อชกท้าวิดีฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนอ ম িีแบตเตอรี่กุฏัยป้าแบตเตอรี่ยป้บนกเพนกวินอยู่ที่ไหนเพนกวินกุฏัยเพนกวินกุฏัย จิงโจ้อยู่ที่ไหนแกงการูกถไทยแกงการูกุไายกการดอยู่ที่ไหนกอนดารกถไยกอนดารกุยห้องน้ำอยู่ที่ไหน ช, ชูชาลอยกถไยาลอยกุไายช มีร้านกาแฟาอยู่ตรงนั้นอเคไหมแอคตอคาเฟอาชีโอคมแอคตรคาเฟอาชมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นโอคไแอคตอรรีสตูเรนท์อาชโอคไแอคตรีสตูเรนท์อาชอูดอยู่ที่ไหนอูดกทไ กอลดกูและม้าลายอยู่ที่ไหน gorilla ar z e กูไทยอร r i l l a ar b r a กูไทยเสือและจระเข้อยู่ที่ไหน bag ar kumir กูไทย b a กูไทย